สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปโสรตอนที่สี่ร้อยหกเรื่องฟังเส้นสุดท้ายพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอญ น, นะครับพระธรรมยอนบทที่สิบสามข้อที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สามสิบโปรดฟังพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัส ด, ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระไทและตรัสเป็นพยานว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเอาไว้เหล่าสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใดที่สหรับมีสาวกคนหนึ่งที่พระองค์ทร ง, งรักได้เอ็นกายอยู่ใกล้พระสวงของพระองค์ซีโมนเปโตจึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใดขณะที่ยังเอ็นกายอยู่ใกล้พระสวงของพระองค์ สาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าพรงเจ้าค่ะคนนั้นคือใครพระองค์ตรัสตอบว่าผู้นั้นคือผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้จิ้มแล้วยื่นให้เมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั้นจิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้แก่ยูดาสบุตรซีโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสรับประทานอาหารแล้วซาตานก็เข้าสิงในใจเขา พระเยซูจึงตรัส ก, กับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดไม่มีผู้ใดในบรรดาผู้ที่เอนกายร่วมสำรับเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัส ก, กับเขาเช่นนั้นบางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือกล่องเก็บเงินพระองค์จึงตรัสบอกเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสาหรับงานเทศกานี้หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้างดังนั้นเมื่อยูดาสรับอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่ยี่สิบหกข้อที่ยี่สิบห้ามัทธิวบทที่ยี่สิบหกข้อที่ยี่สิบห้ายูดาสที่ได้อายัตพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าค่าคือข้าพระองค์หรือ รวงจัดตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้วหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับก็คือฟังเส้นสุดท้ายฟังเส้นสุดท้ายนั้นเป็นภาพของขนมปังที่พระเยซูจิ้มจิ้มกับอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นน้ำมังุนหรือ เป็นพวกซุปที่เปียหยิบยื่นให้กับยูดาสอิสคาริโอขนมปังชิ้นสุดท้ายที่เปียสหยิบยื่นก็เปรียบเส ม, มือนกับโอกาสสุดท้ายที่เปียสุได้มอบให้กับยูดาสโอกาสอาจโกมีความหมายว่าเมื่อโอกาส มาถึงโอกาสสุดท้ายมาถึงชีวิตของใครโอกาสนั้นถ้าไม่ฉวยไว้ยังไม่กลับใจยังไม่ต้อนรับพระเยซูผีมารซาตานเข้าสิงได้และโอกาสสุดท้ายก็หมดลงอาจโกกีโอกโกนะครับก็คืออาจจะหนีไปอาจจะหลุดลอยไปได้ คำว่าเข้าสิงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าซาธานหรือ Satan enter into him แปลว่าซาตานนั้นก็เข้าไปอยู่ข้างในเขามีความหมายถึงคำว่า possession ก็คือการถูกครอบครองถูกควบคุมในภาษาไทยนั้นพูดชัดเจนครับเห็นภาพเลยว่าเข้าสิงนะครับ มีความหมายถึงการถูกครอบครองควบคุมจากมารซาตานทําให้จิตใจของยูดาสนั้นหยาบแข็งกระด้างแบบหมดสภาพที่จะเปลี่ยนแปลงได้เป็นการแข็งแบบสมบูรณ์แบบครับเป็นการแข็งแบบลักษณะได้ที่และไม่สามารถที่จะนำไปถึงการกลับใจใหม่ได้อีกและหมดโอกาสเพียงครับยูดาสก็อาจจะเปรียบเทียบกับคนที่หากินกับศาสนา หากินกับชีวิตของพระเยซูพยายามที่จะแมนิเพลตหรือใช้ประโยชน์จากพระเยซูเป็นการส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพูดง่ายๆเหมือนภาษาชาวบ้านก็คือเกาะเกาะพระเยซูกินครับหากินกับศาสนาคนในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นพวกที่เกาะโบสถ์กินครับเกาะองค์กรกิน งานที่เขาทํานั้นเป็นเพียงชามข้าวที่เขาจะได้ประโยชน์และไม่เพียงแต่ได้ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์เขาอาจจะทับซ้อนทับซ้อนเยอะแ ย, ยะมากมายแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนสู่สภาวะความเป็นจริงได้เลยพี่น้องครับการห้ามของพระเยซูนั้นเราเรียกว่าเป็นการห้ามแบบรีเวิร์สครับเป็นครั้งสุดท้าย พระเยะซูไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สั่งว่าให้เขาที่จะไปทําแต่ลักษณะของการพูดของพระเยะซูนั้นเป็นการรีเวิร์สก็คือพูดแบบรู้พูดเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายพูดเป็นเชิงเสียใจและถ้าไม่กลับใจยูดาสฟังเส้นสุดท้ายนั้นก็จะหลุดลอยออไปโอกาสสุดท้ายนั้นก็จะหลุดลอยออกไป ก็ต้องเป็นไปตามที่เขาตัดสินใจท่้นครับนี่คือวิกฤตนะครับวิกฤตของพระเยซูครั้งสุดท้ายที่เริ่มต้นขึ้นมาครับก็คือสหายนั้นจะทอดทิ้งพระเยซูสาวกของพระองค์ที่เคยอยู่กับพระองค์มาสามปีเขาจะปฏิเสธเขาจะทรยศต่อพระเยซูและเหตุการณ์นี้เองนะครับถือว่าเป็นลาสไคซิสก็คือเป็นวิกฤต นะครับเริ่มต้นของวิกฤตสุดท้ายที่จะเชื่อมต่อกับแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือการเสด็จขึ้นสู่ไม้กางเขนขององค์พระเยซูคิตนั่นเองพระเยซูพยายามที่ให้ยูดาสนะครับรู้สึกเหมือนอย่างที่พระองค์รู้สึกเมื่อพระองค์พูดว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราและในขันเดว ก, กันนะครับพระเยซูพูดว่าท่านจะทาอะไร ก็จงทำเร็วๆเถิดพี่น้องครับคำว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดคำคำนี้ครับโทนเสียงของพระเยซูพี่น้องคิดว่าพระเยซูสั่งให้เขาทำหรือครับไม่ใช่ครับโทนเสียงของพระเยซูนั้นก็คืออยากจะให้ยูดาสนั้นรู้สึกเหมือนอย่างที่พระเยซูรู้สึก เยซูใช้ทุกๆุวิธีที่จะให้ยูดาสกลับใจเยซูเปิดโอกาสทุกอย่างและโอกาสเหล่านั้นถูกใช้จนหมดแล้วจึงมาถึงคําสุดท้ายของพเยซูก่อนที่พเยซูจะถูกจับสำหรับยูดาสก็คือจงรีบทาโดยเร็วเถิะเยซูหยิบยื่นขนมปังให้นะครับถือว่าเป็นมิตรภาพทั้งสุดท้าย ที่เยซูหยิบยื่นให้เป็น the last f e l i n e s ก็คือเป็นมิตฉภาพครั้งสุดท้ายและไม่เพียงแต่เท่านั้นมัทธิวบทที่ยี่สอบหกก็ยี่บ้าซึ่งเราได้อ่านไปแล้วได้กล่าวถึงยูดาสถามว่าเป็นข้าพเจ้าหรือพี่น้องครับยูดาสได้สลัดความรักสลัดมิจฉภาพสลัดความสัมพันธ์สลัดสิ่งที่เขาเดินกับพระเยซูติดตามพระเยซูมาสามปี จัดโอกาสสุดท้ายที่เบียยิบยื่นให้ยูดัสนั้นเป็นตัวแทนของคนที่เบียสุในที่สุดแล้วไม่รู้จักครับเขาได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งไปประกาศเขาได้เห็นพระเยซูแม้กระทั่งที่ว่าเขาเองนั้นก็ขับผีได้เขาได้เห็นการอศัศจรรย์มากมายเขาได้ทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่กับพระเยซูมาสามปีแต่พระเยซูไม่รู้จักเขาคําว่าไม่รู้จักนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่รู้จักยูดัสนะครับ ก็คือเขาไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้ผลลัพธ์จากความโลภผลลัพธ์จากการพยายามแมนทิวโพเลตพระเจ้าพระเยซูควบคุมพระเยซูใช้พระเยซูเป็นเครื่องมือหลอกใช้พระองค์เกิดจากการไม่กลับใจในที่สุดนั้นก็คือซาตานเข้าสิงครับฟังเส้นสุดท้ายหลุดลอยออกไปพี่น้องครับกระบวนการนี้ใช้เวลาครับมันเกิด มานานในระยะเวลาหนึ่งพอสมควรพระเยซูก็เตือนแล้วเตือนอีกเรามาดูนะครับสุดท้ายจิตใจของพระเยซูนั้นโทนเสียงของพระองค์มิจภาพที่พระองค์ได้ทรงมอบให้ความผิดหวังสุดๆที่พระองค์เกิดขึ้นกับความรู้สึกความตั้งใจของพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นมาสเตอร์เป็นครู เป็นเจ้านายและเป็นโรดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงรู้สึกยังไงครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรากลับใจใหม่อย่าให้ฟังเส้นสุดท้ายของคนบางคนหลุดลอยออกไปแล้วพี่น้องครับระเยสุกาลังหยิบยื่นขนมปังสุดท้ายให้กับใครบางคนหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาตัวเองและเราจะซื่อสัตว์ต่อตัวเอง และเราจะกลับใจอย่าปล่อยให้ฟังเส้นสุดท้ายหรือขนมปังเชนชิ้นสุดท้ายหลุดลอยออกไปเลยครับอาเมน